เรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องตอกย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่วสวรรค์เคสซาดี้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรม เลยลออัปกรรมมาเนี่ยในชัดเจนขึ้นกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าเพราะยานั้นท่านไม่ได้เป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมแต่กฎแห่งกรรมนี้มีมานานมีมาก่อนเมื่อไหรเราไม่รู้มันมียาวนานทีเดียวแหละแต่กฎแห่งกรรมจะเป็นกฎที่ไม่ค่อยมีใครจะได้รู้กัน เยวเราจะกดแ่งกา ร, รเลยกฎหมายเนี่ยผู้ที่จะรู้เรื่องกฎหมายจริงๆก็คือนักกฎหมายแล้วก็นักกฎหมายบางท่านด้วยเรียนกฎหมายมาเหมือนกันแต่ก็รู้กฎหมายมาไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันจะใช้ข้ขอไหนเนี่ยถึงไปศึกษากันมันเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่ได้รู้ทั่วถึงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไม่ว่า ใครก็แล้วแต่เนี่ยรู้ไม่ทั่วถึงหรอกมันมีอยู่ในตำราเราก็ไม่ได้รู้กฎหมายกันรอนะนอกจากเรื่องหลักๆอาจจะฆ่ากันนะค่ะโดนจับอะไรอย่างเงี้ยอยากขโมยขโมยจับรู้บางเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่รู้หรอกจริงเปล่ากฎแห่งกรรมหนักกว่านั้นอีกบางอย่างไม่ผิดกฎหมาย แต่มันไปผิดกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในผู้ที่มีความชำนาญคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งมนุษย์จะไม่ได้รู้เลยเกีเ่ยว เ, เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยทำดีได้ดีทํเชั่วได้ชั่วไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่เห็นตามนุษย์เนี่ยมีขอบเขตจากัดในการมองเห็นบางคนมองเห็นวิชีพวิตไปสิ้นสุดที่เชิงตะกอนเลยอย่างนั้นก็มองไม่เห็นแล้ว บางคนเห็นเหตุแต่ไม่เห็นผลบางคนเห็นผลไม่เห็นเหตุหมายความว่าอะไรคือเราทำกรรมอย่างนี้เป็นต้นเหตุแต่ผลแห่งกรรมเนี่ยเราไม่เห็นอะไอ้ไม่เห็นเนี่ยเราดันตายก่อนคือกรรมบางอย่างมันให้ผลดันตาเห็นแต่บางอย่างเนี่ยตายยังไม่ทันเห็นดันตายเนี่ย ทำไปเห็นตอนนั้นก็มีหรือบางทีเห็นผลทำไม่เห็นเหตุคือเอ๊ะทำไมเรามามีชีวิตที่แตกต่างอย่างนี้ที่ทุกข์ยากลําบากเราไม่รู้ว่าเราไปทําเหตุอะไรไว้เพราะฉะนั้นจิงตั้งสมมติฐานว่าเป็นพระประสงค์ของใครตัวหนึ่งอยากให้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นต้องเอา ก็ต้องทนทนกันไปแล้วก็จะยกความดีให้กับพระประสงค์นั่นไปเรื่อยๆเนี่ยคือตอบไม่ได้นะเองพูดง่ายๆ ไ, ไม่รู้อะใช่ไหมถ้าหากว่าเคราะห์ร้ายตอบไม่ได้ก็เป็นพระประสงค์ท่านกําลังทดลองให้เราเป็นอย่างนั้นถ้าเราโชคดีก็บอกเป็นพระประสงค์ที่ทําให้เราโชคดีถ้าตายแล้วก็เป็นพระประสงค์เนี่ยจะเอาเราไปอยู่กับท่าน ป่วยก็เป็นเป้ประสงค์ว่าจะทดลองดูที่ว่าจะป่ว ย, ยงี้ยังรักอยู่ไหมก็คือยกความดีให้หมดแล้จริงๆแล้วตอบไม่ได้อันนี้เราพูดกันตรงๆกันเลยดีกว่าใช่ไหมพอตอบไม่ได้นี่ก็ก็จะอ้างไอ้เรื่องที่เขาเรียกว่าโลกจินดาคือเรื่องอจินไตว่าดังนั้นใครเป็นคนสร้างโลกอ่าคือไปพูดทั้งๆที่ตัวเองก็เกิดไม่ทันแล้วคนที่สอนตัวก็เกิดไม่ทันสร้างโลก ที่สกัน ต, ต, ต่อมาเนี่ยเพราะความรู้สอนเรื่องสร้างโรกเนี่ยเกิดขึ้นหลังพุทธกาลนีเป็นเจี๊นเหอครับแมนแล้วมันเป็นเจี๊นนะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปกระทบกระเทียบใครเพราะว่าการแสดงธรรมต้องไม่กระทบกระเทียบใครแต่นี่ไม่ได้แสดงธรรมแต่นี่กําลังคุยให้ฟังก็ไม่กระทบกระเทียบใคร เรื่องนี้รู้ได้ยังไงพราะครูผู้ใหญ่เคยเป็นนักเรียนเรียนแอนตรงนี้มาตอนเด็กๆเนี่ยสองโรงเรียนเลยสอนอย่างนี้มาแล้วก็ออกก็สอบด้วยแล้วครูผู้ใหญ่อุ้ยเขินได้ที่หนึ่งตอบเรื่องราวอย่างเงี้ยตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ที่หนึ่งมาอีกโรงเรียนก็ที่หนึ่งอีกก็ข้าสอบอันเดิมแหละ มันหมูหมูอะทบายเรื่องนี้เอ็มไหมตอนหลังมาเรียนความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอ่านตอนสายตายัางดีอยู่ยังหนุ่มยังแข็งแรงเอ๊ะเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่ามันไม่ใช่นี่มันมีกฎแห่งกรรมซึ่งใครๆหรีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านไปรู้ไปเห็นมาโดยธรรมจาักขุและโดยญาณทัศนะของพระองค์ท่านเห็นแจ้งด้วยรู้แจ้งด้วยเห็นแจ้งคืออะไรก็เหมือนลากของที่อยู่ในที่มืดออกมาไปที่แจ้ง ก็เห็นชัดไม่เห็นกุมเครือเห็นกุมเครือเป็นไงก็เห็นเขาอยู่ในที่มืดเอ๊ะนี่มันงูหรือเชือกหรือทางมาเเพ้วหรือมันคุมคุมกุ้เครือที่มืดเห็นเดินสองขาคนหรือลิงก็ไม่รู้นี่คือเรื่องจริงๆจริงใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าดึงมันจะไฟฉายส่องแล้วอยู่ในที่แจ้งอ๋อเชือกหรืออ๋องูอะไรงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปจํากัดตัวเราเองว่าเราจะต้องเรียนรู้แค่นั้นะตามที่ ครอบครัวเราแนะนำนังสอนมาเราต้องให้โอกาสตัวเราเองในศึกษาความรู้มกว้างขวางขึ้นมือเพิ่มขึ้นเกี่ยวกเรื่องกฎแห่งกรรมนะจ๊ะเฮสตดี้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งเราฟังกังมาเยอะแยะแล้วเนี่ยสองสามร้อยเรื่องแล้วนะวันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคุณปู่เป็นคนมีฐานะมาจากจีนโพ้นทะเลแต่ว่าไปที่ไหนก็มีภรรยาที่นั่นมีสเสน่ห์อย่างเลยเน่เมื่อ่าชอบคุณย่าที่เมืองไทยเนะี่ย คุณย่านะเป็นภรรยาคนที่สามแล้วของคุณปู่คุณย่าเป็นคนสวยชอบทําบุญแบบไหว้เจ้าสอนให้ลูกทุกคนขยันและรับผิดชอบแม้เป็นลูกชายก็ต้องทํากับข้าวหุงข้าวทําความสะอาดบ้านในช่วง ท, างท้ายของชีวิตท่านชอบอ่านคำพีจีนเรื่มเก่าๆซึ่งน่าจะเป็นหนังสือธรรมะมีพยาบาลที่มาคอยดูแลท่านที่ท่านมากักจะบอกว่าพยาบาลแกล้งชอบทําให้เจ็บ คุณยเสียชีวิตในวัยหกสปีด้วยโรคไตความดาันโลหิตสูงเมื่อปีสามสองคุณพ่อมีพี่น้องสี่คนพ่อเป็นคนที่สองพ่อเป็นคนจิตใจอ่อนโยนสงสารคนง่ายตั้งแต่เด็กคุณพ่อแม่จะเรียนหนังสือเก่งแต่ก็ต้องออกจากโรงเรียนเอาทางานส่งเสียการเรียนให้พี่ชายและน้องชายอีกสองคนคุณพ่อเริ่มต้นจากเป็นร้านจับหวยต่อมาขายข้าวสารจนมาทําำาสังหาริ่มมาซั์ แต่แปลว่าพี่น้องคุณพ่อจะมีรายได้มากหรือน้อยกว่าคุณพ่อคุณพ่อก็ยังคงเป็นผู้ช่วยเหลือพี่น้องเสมอเมื่อในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ทำให้ประสบปัญหาอย่างหนักโอกาสที่เองทำให้ท่านหันมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นคุณอาเป็นน้องชายคุณสุดท้องของพ่อตอนเด็กๆคุณอาเป็นคนผอมหัวโตแต่พอมาเรียนกรุงเทพก็กลายเป็นคนสมบูรณ์ขึ้นน้ำหนักเกือบหนึ่งร้อยกิโลญาติหลายคนพยายามหาคู่ครองให้ท่าน แต่ยังไม่มีใครถูกใจท่านและท่านก็นไม่ถูกใจใครมันมีเหตุอย่างมมันมีเหตุเ oh. มื่อท่านกลับจากกรุงเทพก็มักจะสอนส่งต่างๆให้ตัวลูกว่าอะไรถูกผิดอะไรไม่ควรอะไรควรไม่ควรคุณอามักจะชมคุณพ่อให้ฟังบ่อยๆแต่ก็มีบ้างที่ไม่พอใจคุณแม่เรา oh. เวลาปกติท่านจะช่วยงานที่ร้านขายข้าวสารเป็นฝ่ายตลาดเข้ไปหาลูกค้าและเก็บหนี้ท่านสอนว่าเราต้องเข้ากับลูกค้าให้ถึงใจ แม้เราไปเอาเงินเขาแต่ก็ต้องให้เขารู้สึกว่าเราเหมือนญาติแล้วก็เป็นกินข้าวหลังบ้านกับเขาได้คุณอาเป็นเหมือนนักวิชาการของบ้านมีหลักการและเหตุผลมากที่สุดดูมีภูมิรู้ชอบช่วยเหลือคนท่านเม็สูบบุหรีไม่ดื่มเหล้ารับน้าหนักตัวของท่านเองก็พกพามาหลายโรคแล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหอบนอนหลับไม่สะดวกต้อง <laughs> นั่งหลับ oh oh. ส่วการนั่งสมาธิไม่เคยเห็นคุณอานั่งเลยจนปีสามแปดท่านเสียชีวิตในบ้านของท่านที่รู้เพราะเพื่อนบ้านเห็นผิดสังเกตจึงปีหน้าต่างไปดูสภาพศพคุณอาโดนฆาตกรรมปล้อนกายมีคนบอกว่าก่อนมันเกิดเหตุมีเพื่อนบูตชายคุณของคุณอามาค้างในบ้านด้วยเพื่อนบ้านเราว่ามักมีผู้ชายมาค้างที่บ้านบ่อยๆจึงสันนิษฐานว่าถูฆาตกรรมโดยกลุ่มรักร่วมเพศคุณแม่มีพี่น้องสี่คนท่านเป็นคนสุดท้อง แต่อายุห่างจากพี่ๆมากพี่ชายคนโตและพี่สาวคนโตของแม่ไปเรียนเมืองจีนกลับมาจากเมืองจีนแล้วมีกิจการงานที่ดีได้ช่วยเหลือจุนเจือ น, น้องชายและพี่สาวแต่เมื่อถึงวัากลางคนต่างแยกย้าย ก, กันออกไปพี่ชายคนโตได้เสียชีวิตที่ประเทศไต้หวันเนื่องจากเป็นลมหลังจากดื่มสุรากับเนื้อแพะไปพร้อมกันนี่ดื่มสุรากับเนื้อแพะส่วนพี่ชายคนที่สองของแม่ทํางานที่เมืองไทยเพื่อช่วยเหลือที่บ้าน และครอบครัวมีบุตรสี่คนและหนึ่งในสี่ได้รับเชื้อไวรัสตับบีทาให้หมดถึงวัยรุ่นแขนขาลีบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยพี่ชายคนที่สองของแม่หาทุกวิถีทางที่จะให้ลูกชายกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ผลด้วยความทุกข์กดดันน้อยใจในชีวิตตัวเองและน้อยใจพี่ชายคนโตทั้งหมดนี้จึงทําให้ทําร้ายตัวเองโดยการกินเบียร์ใช้เงินแบบประชดชีวิตและเกิดความผิดปกติทางประสาท ทำใหไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไประเบิดกับญาติพี่น้องและคนรู้จักจนทําให้ครอบครัวพิชาค น, นโตกับครอบครัวพิชาค น, นที่สองมองหน้ากันไม่ติดทําไมคุณย่าต้องมีชีวิตอยู่อย่างลําบากต้องเป็นภรรยาค น, นที่สามและก่อนตายท่านอ่านคัมภีรจีนที่เชื่อกันว่าคัมพี์นี้ช่วยคุณย่าไปปอร์โลกอย่างสันตินั้นเป็นจริงหรือไม่คะตอนนี้ท่านอยู่ที่พบภูมิใดได้รับบุญที่อุทิศหรือไม่คะทําไมคุณพ่อที่แม้ไม่ใช่ลูกชายคุณโต จะ ต, ต้องทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างเพื่อพี่น้องมาตลอดและเมื่อมาทําธุรกิจเองก็ถูกโกงหลายครั้งคุณพ่ อ, องลูกชอบทําบุญสงเคราะห์โลกทุกอย่างแม้เคยได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมจนเห็นแสงสว่างแต่ก็นั้นท่านก็นยังไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าสวรรค์นรกมีจริงท่านบอกนิพพานอยู่ที่ใจที่นั่งสมาธิกะหวังเพียงแค่ใจสงบคิดงานได้ทะลุปลุโปร่งขึ้นเท่านั้นลูกกราบขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำว่าลูกจะต้องทำอย่างไรต่อไป และสุดท้ายคุณพ่อจะมีโอกาสสร้างบุญใหญก่กระหม่อมกน่งของเราหรือไม่ทําไมคุณอาจึงต้องมาตายด้วยการฆาตการรมจากผู้รักเร่วมเพศก่อนตายและหลังตายรู้สึกนึกคิดอย่างไรท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อของลูกหรือคนในครอบครัวหรือไม่ทุกคนตกใจมากเพิ่งทราบว่าคุณอามีอาการผิดปกติทางเพศบญอะไรที่จะช่วยคุณอาได้มากที่สุดพี่ชายคนโตของแม่ตายแล้วเป็นไหนสับสนไหมจ๊ะตามทานมันไหมเนี่ยอ่านเร็วหน่อย ทำไมลูกชายของพิชาคนที่สองต้องเป็นโรคที่ทำให้แขนขารีบทำกรรมอะไรมาแล้วชาตินี้จะแก้ไขได้อย่างไรทำอย่างไรพิชาคนที่สองถึงจะเลิกน้อยใจในชะตาชีวิตตัวเองเป็นไปได้ไหมครับทั้งสองครอบครัวจะมาปลองดองกันแล้วทำอย่างไรถึงจะปลองดองไม่ผูกเวรกันแปดข้อนี่ก็ถามมานะเรามาฟังฝันในฝันหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะ มันเล่าสู่กันฟังแบบนิยายประลัมปรลานะจ๊ะฟังเพลินพลนกันแล้วกันเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ให้เป็นเรื่องเพลินพลนนะจ๊ะแต่หากมีกติบ้าก็เอาเป็นความรู้ติดขาติดแข้งไปคุณแย่เป็นภรรยาคนที่สามเพราะ เศษกรรมเล็กๆในน้อยในอดีต ท, ที่เคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็มีภรรยาหลายคนส่วนของกรรมนั้นได้ใช้ไปแล้วนี่เป็นเศษส่วนส่วนของกรรมจะไม่พูดในที่นี้ละเราพูดกันมาเยอะแล้วอดีตเคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วมีภรรยาหลายคนกรรมเจ้าชู้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภู ม, มิเทวา ในหมู่บ้านผมมาเทวาแห่งหนึ่งแถวภาคใต้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพดีกว่าเดิมจ้าคุณพ่อมีนิสัยใจดีใจอ่อนรักพี่รักน้องเป็นนิสัยที่ดีที่ท่านสงเคราะห์ยากถือว่าเป็นมงคลจึงเป็นที่รักและที่เกรงใจของทุกคนที่ท่าน เมื่อมาทำธุรกิจแล้วถูกโกงหลายครั้งก็เปราะเป็นเศษกรรมติดติดมาจากชาติในอดีตที่ตนเองน่ะเคยทำการค้าแล้วก็ทำอย่างนี้มาเหมือนกันกรรมนี้จึงตามมาส่งผลเป็นปลายปลายกรรมแล้วชาติ ก, ก่อนเจอมากกว่านี้อีกจ้าก็นะคือโกงก้นมาก่อนนั่นแหละ ทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั่นคุณพ่อท่านปฏิบัติทำแล้วเห็นแสงสว่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละจ้ะแค่ระดับความสว่างของเช้าตรู่เท่า น, นั้นยังไม่ถึงระดับที่จะเปลี่ยนใจหรือเข้าใจอะไรให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับความจริงของชีวิตได้ลูกจะต้องแนะนำให้ท่านปฏิบัติทำต่อไปเรื่อย กว่าจะถึงระดับความสว่างที่สมบูรณ์แล้วจะทำให้ท่านเข้าใจอะไรได้ดีกว่านี้อีกประการหนึง่งตัวลูกเองเนะ่เวลาทำบุญทุกบุญก็ต้องอธิษฐานให้ท่านได้เข้าถึงทำให้ได้เพราะพื้นฐานใจท่านนะดีอยู่แล้วที่ชอบทำบุญสงเคราะห์โลกจะตามทันไหมจ๊ะ คุณอาท่านเป็นคนเจ้าชู้ผิดศีลข้อที่สามทั้งชาติที่เป็นหญิงและชาติที่เป็นผู้ชายในอดีตคือตอนเป็นผู้ชายก็กเจ้าชู้ผิดศีลข้อที่สามเป็นผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน oh. ก็เจ้าชู้หลายกรรมหลายวาระมารวมกันจึงทำให้เศษกรรมบรรดาล ให้ท่านเป็นคนชอบไม้ป่าเดียวกันส่วนของกรรมนะท่านใช้มาแล้วยาวนานในมหารนรกไออุสตะนรกในยมโลกเลื่อยมาอันนี้เป็นเศษของกรรมจ้าที่ถูกฆาตกรรมโดยพวก ร, รัก ร, ร่วมเพศกับเลาะบุพกรรมในอดีตที่เกิดไปเกิดเป็นผู้ชายที่มีฐานะดีมีชื่อเสียงดีเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ แต่ชอบมีเมียน้อยมากมๆประกฏว่ามีเมียน้อยคนหนึ่งก็เรียกร้องมากเกินไปแล้วก็บลัคเมท่านว่าต้มาให้ตามที่ขอจะประจานให้คนรู้เรื่องท่านก็กลัวคนอื่นจะรู้เลยจ้างวานให้คนก็ไปฆ่าบุพกรรมนี้จึงทำให้มีวิบากกรรมทำให้พว้ขายบริการ มาค่าริงทรัพย์พวกที่เป็นบรรดาเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นแตวเป็นอะไรพวกนี้นะอย่ามาบวชเลยนะลูกนะมันไม่ใช่ความผิดเราแต่ว่ามันไม่เหมาะสมมติว่าพระอุปชาถ้ามองไม่ออกบางทีมันไม่สำแดงออกพอบวชแล้วเนี่ยไอ้กรรมมันยังบรรดามันมีอยู่มันบันดาเน่ะเดี๋ยวก็ไปทำผิดพลาดร่างมันจะบาปกรรม แล้วก็จะทำให้มองดูคนดูเราพุทธศาสนาไปผิดๆเนะ่ยเขาก็ไม่ขอใจมันเสียส่วนรวมอย่าบวชเลยนะลุกนะแต่ใครมีความรู้สึกอย่างเนี้ยข้างนอกเป็นผู้ชายแต่ข้างในเนี่ยเป็นชอบอย่างเนี้ยอย่าไปบวชเลยก่อนตายใจเต็มไปด้วยราคะอรคนดยโทสะตามทันไหม เจ็บปวดทรมานมากเมื่อถอดกายหรือตายแล้วก็เป็นกายสัมภเวสีที่มีรูปร่างกึ่งเปรตกึ่งผีที่เรียกว่าผีเปรตเราคงได้ยินคํานี้เนะนี่ยแต่เราเนก่องกมันเป็นคําคล้องจองกันคือถ้าเรียกผีก็ต้องเรียกเปรตผีเปรต ไอหัวหอมเป็นคนผีเปรตไอกระเทียมผีเปรตอะไรเสมอเขาชื่อกระเทียมอะไรกระเทียมดองอะไรเงี้ยมีจริงนะผีเปรตคือมันเกินผีแต่ไม่ถึงเปรตอะผีนี่หน้าคล้ายมนุษย์แต่มันอะนาตอมมี่มันตัวถังมันบดบิบิไม่สวยเหมือนมนุษย์เนี่ยแล้วก็ ไม่มีอาหารกินเดินเปลืยกายแก้ผ้าเลือดโสมกายผอมดำอยู่บนพื้นมนุษย์ทั้งหิวโหยและทุกข์ทรมานมากเดินวนเวียนไปมาใช้กรรมอยู่ในขณะนี้แย่กว่าผีดีกว่าเปรตเรียกว่ากึ่งผีกึ่งเปรตหรือเรียกว่าผีเปรตตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเนะี่ยทุกข์ทรมานในประโลกไม่มีการทำมาหากินนะ เราจะเก่งการนำมากินอะไรต่างๆในนั้นไม่ได้เป็นภพแห่งการเสวยผลจะช่วยท่านทางทําบุญทุกบุญแล้วทิพไปให้ท่านบ่อยๆวิบากกรรมก็จะบรรเทาบาบางลงไปเรื่อยๆและเร็วที่สุดก็คือโลกต่างปฏิบัติทําให้เขาถึงธรรมกายแบบคุณยายก็ไปจะไปช่วยท่านได้จ้าเบื่อกันหรือยังเนี่ยยาครับพี่ชายคนโตของแม่ ตายแล้วไปอุศธนรกขุมห้าไอที่ดื่มสุรากินเนื้อแพะแลวตายคาชามนเงนี้เพราะคตินิมิต ด, ดำมืดกำลังโดนกรอกน้ำกรดสรีดำอยู่ทุกทรมานมากอุศธนรกคือขุมบริวาร น, นี่ยังไม่ได้ขุมใหญ่นะี่กินน้อยไปหน่อยเนะี่ยโรกชายของพี่ชายคนที่สองเป็นโลกแขนขาลีบ แล้วปัจจุบันเชื้อไวรัสตับบีคล้ายๆไอ้รหัสพันธุกรรมมันสูญเสียมันทำให้เป็นอย่างนี้แต่มันมาจากรหัสชะตากรรมคือกรรมแน่ดีเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านในยุคนั้นครั้งหนึ่งมีโจรขโมยขึ้นบ้านของลูกบ้านแล้วก็ขโมยโดนจับได้จึงนำมาให้ผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ถามพุยยาบ้านหานูจะทำอย่างไรพุยยาบ้านก็คิดก็คิดว่าจะเชือดเป็ดให้ลิงดูพวกไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจึงสั่งให้ตัดเอ็นที่ข้อแขนขาจึงทำให้แขนขาใช้ไม่ได้ค่ อ, คอยๆรีบลงไปชาตินี้คงไม่หายนะลูกนะต้องรับกรรมไปก่อนแต่ถ้ถาหากจะไม่ให้มีการติดไปในภพหน้าชาตินี้ต้องอดทนอย่าไปน้อยเนื้อต่าใจโชกชตาเพราะเราทามานะ แล้วก็มันทําบุญทุกบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้มากมาก็จะพ้นกรรมได้ถ้ามาน้อยเนื้อต่ําใจแล้วไม่ทําบุญแล้วก็ยังต้องไปใช้อีกหลายชาตินะจ๊ะมันยังไม่หมดมิบา ก, กรรมทำอย่างไรพี่ชายคนเียสอนถึงจะเลิกน้อยใจใช่หรือกตาชีวิตแล้วกับรองดองกันทั้งสองครอบครัวก็ทำํำง่ายๆสิจ๊ะให้อภัย เอย่าไปถือสากัน forget and forget ยิ้มแยมแจ่มใสไม่ไปลไรลืมซะเถอะยิ้มแยมแจ่มใสก็หากันก็จะปลองดองกันแล้วก็ค่คอยคยศึกษาหาความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตแล้วก็จะเลิกน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตนเองจ้ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ case s u สั้นๆเลจ้ะ